ที่วัดแพ่มีพระมากไหมตรงนี้ไม่มากครับแยกกันไปที่ตา่างๆแถวนั้นมันเป็นที่วิเวกสะดวกไปหมดนันแหละภาคเหนือไปที่ไหนก็เป็นความสะดวก <c oughs> สำหรับเที่ยววิเวก <c oughs> ตามป่าตามเขามีอยู่ทั่วไประดละภาคเหนือนะสร้ <c oughs> างภาคอีสานกา็ก็มีอยู่ทั่วไปเหมือนกัน ตามป่าตามเขามี <c oughs> อย่างดีไม่ดีอุดรหายากทําก็มีประทางแถวที่ลบบผู้พานข้ามไปคนของบัว ร, รําพูอย่าง <c oughs> อาะไรที่ <c oughs> วัดผาแดงวัดผู้สังโภแล้วต่อไปแล้วมีป่ามีเขาทั่วๆไปวัดก็มีอยู่ทั่วไปแถวจั <c oughs> <c oughs> งหวัด อุดรทางด้านตะวันตกน้องวลรำพูเห่านี้ด้านตะวันออกหรือด้านไหนก็มีมีอยู่ทั่วไปกันแล้วจากนั้นอุดรเ น, นี่ยเรรู้สึกจะไม่ค่อยมีแต่ไปทางบ้านผือไปนน่นทางอำเภอบ้านผือไปชี้แจงใหม่เข้าไปในป่าในเขานน่น <c oughs> นี่หมายถึงทุกวันนี้นะเลยต้องเลยหาเอาแต่ก่อนไม่ต้องหาเป็นป่าเป็นรงทั้งหมดไอไปที่ไหนพวกป่าพวกเนื้อพวกเสือพวกสัตว์ต่างๆเต็มมีทั่วไปไม่อดสัตวเนื้อไม่อดพวกเตี้พกหมูป่าพวกความพวกพวงโน๊กนี่ไม่ต้องพูดเลยเต็มไปหมด ตัวอีเห็นบอกเน่งสารประเภท ต, ต, ต่างๆมีอยู่เต็มป่าไปหมดลนะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่เขาๆเพราะไม่มีการค้าการขายก่อนเนื่องจากถนนหุนทางไม่มีใครหาอยู่ห้องจิ้งล่บ้านรอบเรือนเจ้าของก็พอแล้วเพราะไม่มีการซื้อขายได้มาพอปากปอท้องในครอบครัวหนึ่งพอแล้วพอแล้วนะแต่ขั้นต่อมาก็มีรถมีลา คือแก่อนไม่มีนะรถไม่มี <c oughs> มีรถมีราก็ต้องมีถนนหุนทางเมื่อมีรถมีราไม่มีถนนทางแล้วการซื้อการขายมันก็ขยายกันไปรามกันนั่นแหละได้มานี่กินน้อยขายมากกว่ากินนั่นได้มาเพียงเล็กน้อยขายหมดขายหมดทั้งนี้อะไรก็ไม่พอหามากกินแล้วหามากขายขายสุดท้ายป่าไม้เป็นดงเป็นดงนั่นแหละ นานน่นถากถางปลูกเพื่ออุ้มมันก่อนจากนั้นก็กลายเป็น <c oughs> พวกค้อยพวกมันสัมภาร์เต็มไปหมดทุกแห่งทุกหนเหมือนกันหมดเลยนะมีละการขายมันขยายตัวไปรหามา ก, ก็มีแต่กพซื้อเพื่อ ข, อขายถนนต้นทางผ่านไป เหมือนตาขายเลยเที่นี่ป่าดงทหลายหมดไม่มีเหลือเราไปพูดให้บรรดาลูกศิลุหาฟังตอนที่เราเที่ยวนั้นเหมาะสมมากอยู่ย เ, เรียก ว, ว่าไม่มี เ, เรื่องถนนหนทางไปมาหาสูนนอกจากมีเป็นทางเป็นด่านเป็นด่านในป่าเนี่ยเขามีแต่อย่างนั้นยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ทางล้อทางเกวียนไม่มี จะมีแต่แถวหมู่บ้านเขาอยู่เ้านอกทางลอดทางเพียนกับเสาเสหม่องหมอ ง, มองเขาไมไ่ค่อยไปมาละสย่ามากก็มีทางคนเดินเท้าไปมาตลอดไปบางแห่งทั้งวันไม่เจอบ้านาดัางจึตน้าไม่ป่าดงมีแต่ดงแต่ปา่ <c oughs> าสัตว์พวกเนื้อไม่ค่อยกลัวคนเพราะเราไม่ค่อยทำลายกันเนื่องจาก ไม่มีการซื้อการขายาหา ก, กินพอป่าก็ท้องก็พอแล้วสัตว์ทั้งหลายก็เต็มไม่มีใครรังแจทำลายนะ <c oughs> ทุกวันนี้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> ไปทางอุดร น, นี่มันก็มีเป็นเป็นด้านทางทางที่ตวันตกที่ภาว น, นามีหนึ <c> ่ง <oughs> ย่างไปทางทิศใต้ก็ ไปทางอำเภอหนองแสงเข้าเนภูเขาก็มีที่มีอยู่ทั่วไปทางบัวรําภูมีทางด้านตอรดอกก็มีด้านอื่นก็มีจังหวัดเลยทั้งมีมากสกลนคร ก, ก็มีอยู่ทั่วไปนกครบนมก็มาทางอำเภอบ้านแพงมานี่ก็มีอยู่ทั่วไปแล้ว ถ้าท่านทำงานของท่านมีเดินจงกมรมนั่งสมาธิภาวนานะงานของพระในครั้งพุทธการมีส่างอย่างนั้นเป็นส่วนมากที่สุดเลยส่วนปิยยตก็มีเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะในตำราที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆก็มีภาคปฏิบัติทำจากที่เลย โดนจงกลมนั่งตะวัทีภาวนานี่เป็นงานของพระโดยแค้ในครั้งพุทธภาลต่อ <c oughs> มาก็อย่างนี้แหละดูสิงานี่เลสตันหามันเหยียบย่ำทำลายเข้าไปเหยียบหัวพระเลยไม่ต้องไม่เหยียบไหนแล้วเหยียบหัวพระนันไปพระเลยงอหัวไม่ขึ้นมองหาทางยังคมไม่เห็นเลยสุดท้าย ไม่มีทานองค์พระทั่วประเทศไทยซึ่งก็เรียนมาด้วยการรู้เหมือนกันมาแต่ไม่เคยสนใจปฏิบัติมีแต่คมภีร์เต็มวัดเต็มวัดไปที่ไหนมีแต่คมพีเต็มคำทีพุทธศาสนาแต่ไม่เคยไปสนใจถึงเรียนจะเรียนเพื่อเอาชื่อเอานามเอาแต่ลมเร่ลงลมแลง้ลงแวมาสอบได้สอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่า ได้เท่านั้นชตัวตัวของไม่เคยสนใจแก้ไขดัดแปลงตัวเองเลยโดยการแบบไปปฏิบัติศีลธรรมเพราะงั้นศาสนาจริงจะไม่มีเหลือแล้วนเวลานี้จะว่านั่เหลืออยู่หรือเพราะว่าพระมันก็ไม่ว่าพระเขาพระเรามันก็แบบเดียวกันมีแต่หัวโลนไม่ได้สนใจกับฏกับธรรมยิ่งกว่าเรื่องของเทเลรที่จะครอบครูหัวใจมัน ความโลภว่าไม่มีใครเกิดมากยิ่งกว่าพระได้เท่าไรยิ่งไม่พอไม่พอพระเป็นยังไงจึงเป็นอย่า ง, งานั้นหลับพระฟังที่ดับ พ, พุทธเจ้าสอนในรักความโลภตัวเองต่างสมความโลภโลภด้ได้ทุกสิ่งทุกอยาก่างที่เสียงเรื่องนามอะไรายังได้ฉะนั้นโยธาบรรดาศักดิ์ความมั่งมีสีสุขเลยอยู่ในกับพระหมดนะเวลานี้ทั้งๆที่พระเป็นนักเสียสละกจริงเรื่อนี้เป็นเรื่อง เหลือปัญหาด้วนๆเข้ากับเพศของพระไม่ได้ตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วเป็นอย่างนั้นมีแต่ชําระตลอดเวลาอาศัยใบวันหนึ่งวันหนึ่ง <c oughs> มีตาบากับชาวบ้านเขาเขาใส่อะไรมาก็มีเท่าไรกับฉันเท่านั้นน่ะท่านไม่กังวลวุ่นวายผู้มโหสถผู้ทําเป็นอย่างนั้นไม่สนใจกับความร่ำความรวยอะไรสวยงามไม่แววตานนะ เอาแต่ทำแต่ทำเพื่อนี่แหละตำราท่านแสดงมาอย่างนั้นเห็นชัดเจนทุกคนผู้เรียนตำราไม่เห็นได้หรือไม่ใช่คนตาบอดแต่หัวใจมันบอดเรียนเท่าไหร่มันก็ไม่สนใจกบัดกับทำยิ่งกว่าเรียนเพื่อที่เหลเรียนทำก็เพื่อไปเขียงเหยียบขึ้นของที่เหลอแล้วก็มาเหยียบทำเหยียบตัวเองเหยียบบ้านเหยียบเมืองไปหมด ด้วยความไม่สนใจกธรทำนำี่เลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายโดยใายเดียวแล้วศาสนาเจริญได้ยังไงลองหาดูที่ศาสนาเจริญที่ไหนเวลานี้อย่าเอาเพศมาใส่นะเอาหมาขี่เลือนมาเอากีวรครอบหอัวมันมันก็เป็นหมาเหลืองขึ้นมาหรือพระหมาก็ได้เยอะเพราะนั่นเนยหว่าไงหัวล้นโกนเข้าไปจนถึงกระโลกศีรษะก็ได้นะ งั้นอาสัจจนาถ้าไม่ปฏิบัติกําจัดความชั่วช้าและงกในตัวตามหลักศีลหลักธรรมที่พระเจ้าทร ง, ง, งส่งสอนไว้แล้วมันทําเท่าไหร่ก็อย่างว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมันแล้วมันจะเริยนที่ไหนศาสนาพิจารณ า, ณา ท, ที่น้องหลายพิจรณาทุกคนเราเป็นลูกสาวพูทธผิดพลาดด้วยกันทุกคนให้นำธรรมะมาแก้ไขแต่แปลงตัวของพวกเราเองแต่ประจำหนีคนนั้นคนนี้ไม่ได้มันเต็มอยู่ในหัวเรา หัวใจเราทุกคนนะ่ะทั้งฆราวาสทั้งพระฆราวาสก็เป็นไปอีกอย่า ง, งหนึ่งเขาก็ไม่มีขอบเขตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่พระเราที่มีขอบเขตนีแต่วิ่งแตลิเปิดเปิงเหยียบย่ําทําลายหัวพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกไปโดยไม่คํานึงถึงอาจถึ ง, ถ, งถามว่าท่านสอนอย่างไรบ้างนี้บ้างเลยมันเลวไงล่ะพิจารณาดิยิ่งสั่งสมกิเลสหนาแน่นทุนวันทุวั น, ว น, วนไม่มีใครเกินพระนาะทุวันนี่นะอ่ ว่าพระมาบวชมาชำระภ า, า, าสารอิเลีมันภาสารตรงไหนน่ะตาเห็นอยู่ด้วยกันหูฟังอยู่ด้วยกันสําหรับตําราเรียนมาด้วยกันมันขัดกับต ำ, ร, บต ำ, ร, บตำรับตําราเยียบย่ำตํำรับตรากคือที่เป็นคําสอนของเจ้ามากน้อยอย่างไรมันก็เห็นกันอยู่จากความเคลื่อนไหวการประพฤติตัวของพระของเนรเราเนี่ยอย่าไปดูที่ไหนผู้รักษาศีลธรรมไม่ใช่พระเนรเราจะเป็นใครขึ้นชื่อว่านักบวชก็คือ เป็นเจ้าของผู้รักษาศีลธรรมโ ด, รโดยตรงโดยตรงประกาศเปิดก็ยังมาด้วยเพศคือความเป็นพระนั่นล้วเป็นพระและ้วไปยังไงที่ยามารยาทของพระที่แสดงออกใจที่สังรวมระวังต้องสวยต้องงามต้องไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนภาษาของธรรมความรู้ที่เรียนมาจากธรรมล้วปฏิบัติเพื่อเพื่อธรรมแล้วจะไม่แสดงแทงใจผู้หนึ่งผู้ใดแม้จะพูดเป็นเสียงฟาด ดินทถล่มลงมาก็ตามก็เหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้ามันล้องเพียงเพียงเพียงแต่ฝนตกลงมามันเย็นนั่นเห็นไหมล่ะอันนี้เรียงเพียงเสียงอัดเสียงทำเวลามาถูกหัวใจของสารโลกเย็นไปหมดด้วยกันเนี่ยเสียงทำเป็นอย่างนั้นไม่ไม่เหมือนกับเสียงกี่เรศเสียงกี่เลศนี่มันเอาอย่างขาดสะบ้านทผ่นแหลกไปหมดนะนี่เราพวกนักบวชเรา ยี่พาดูพาหลานมาเยี่ยมเลยพูดให้ฟังพอใเป็นคติเครื่องเตือนใจศาสนาจะไม่เหลือแล้วนะทุกวันพูดอย่างภาษาของพระภาษาของธรรมมันมีแต่หัวลนๆไปที่ไหนเต็มวัดเต็มว่าในวัดนั่นมีอะไรบ้างเขากวดเข้าไปดูให้ดีในวัดนั้นมีแต่ความรู้หลาฟู่ฟ้าเป็นเรื่องของวิเศษทั้งหมดเลยอืความรู้ลาฟู่ฟ้าแบบนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้หรือ ต้องส่งเสริมเด้อฮะตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างผลที่สุดดอกไม้ต้นไม้มาประดับประดากุดประดับประดาที่วิหารให้สวยให้งามแบบที่เลสนั่นมันเป็นเรื่องของพ้าเมื่อไหร่ไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระประดับประดาตกแต่งใจของของเรามันบกพร่องที่ตรงไหนแก้ไขมันที่ตรงนั้นว่าจะพูดออกไปถูกสินถูกตามหรือไม่ถ้าไม่ถูกยาพูดออกม า, พ, ออกมาพูดออกมาทาไมนั่น การกระทำเหมือนกันทิฏยาท่าทางที่แสดงไปมันขัดต่อธรรมตรงไหนนั่นอย่าทำนี่เรื่องของพระต้องเป็นผู้มีหีริโอตปะสรุ่งกุศลต่อบาปต่อกรรมแล้วรู้มีความสังหรณ์ระวัง ต, วตัวตลอดเวลานี่ชื่อว่าภูมิมาทำลาสาสร์สารกิเลสซึ่งเป็นความเจาม้าช้าลำบออกจากกายวาจาใจของตนทุกอิเดียบทมีสติระตังระมัดระวังตลอดเวลานี่พระเป็นอย่างนั้นนะนี่พระตามแบบตามฉบับ พระของวัดพุทธเจ้าเปลี่ยงนั่นแล้วมาเทียบกับพระเราทุกวันนี่ดูให้ดีดูเหล่าเนี้ยที่กําลังเทศอยู่นี้ให้พระทั้งหลายฟังเนี่กับพระทั้งหลายนั้นมันก็แบบเดียวกันมันเลวเหมือนกันไปนหมดไม่ใช่ว่างเลยถึงเช้าก็หาบิณฑบาตมากจริงๆแล้วก็เรียนตั้งแต่วิชาทางโลกทางสารสั่งสมกิเลสอยากได้ชื่อได้นามอยากได้ชั้นนั่นชั้นนี้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ขึ้นไปมันไม่ได้สนใจกับอัดกับรำอะไรเลย ที่เป็นชั้นที่จะพาให้กิเลสทางจากใจส่งเสริมจิตใจมีความสว่างกระจางแจ้งขึ้นมาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาหลักทาวิมุตตหลุดพ้นไปด้วยอํานาจแห่งความบัคเพียร์นันไม่มีนะเดี๋ยวนี้นะ่ะมันมีแต่เพียงไปหากิเลสให้กิเลสลากหัหวลนไปหหัวร้อนร้นมันก็มันก็ลากกิเลสมันไม่ได้กลัวใครบวชเข้าว่าสักเท่าไหร่ก็บวชเถอะนะหัวร้อนก็ร้นผ้าเหลืองก็ผ้าเหลืองเถอะกิเลสไม่เคยกลัวใครกลัวแต่ทําเท่านั้น ถา้าใครมีธรรมในใจแล้วยิ่งเล็ดกลัวไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระยิ่งเล็ดกลัวถ้าไม่มีธรรมไม่กลัวเนี่ยให้ยืดเอาหลักนี้เป็นเกณฑ์นะยิ่งเล็ดก็ดังที่เคยพูดแล้วมันเป็นภายต่อสายโลกมานานตั้เท่าไหร่แล้วกิ่เล็ดเรานั่นอยู่ที่ไหนเวลานี้มันก็ติดแนบในหัวใจพวกเราทุกคนแท้ก็ต้องเทศตําหนิตรงนี้ด้วยกันนะเจ๊จะไปว่าใครดีใครไม่ดีไม่ได้มันมีอยู่กับทุกคนให้ต่างคนต่างแก้ ดัดแปลงเจ้ของให้เป็นคนดีขึ้นมาอย่าเป็นบ้าตั้งแต่ตกแต่งภายนอกในเรื่องของเร่หลอกให้ตกแต่งอะไรก็ไม่ดีอะไรไม่งามอนนั้นไม่ดีทีม่มีตกแต่งจนวันตายมันก็ไม่เห็นความสุขความเจริญอะไรในในจิตใจเลยไม่มีหลักมีเจณเลยถ้าตกแต่งภายในจิตใจนี้ทุกขั้ตากเส้นใจก็เถอะเรื่องหัวใจสงา่สงางามตัวใจนี่แหละตัวที่จะพาไปมรรคไปผลไปสวรรค์นิพพาน ไม่ได้ไปด้วยกันตกแต่งนั่นตกแต่งอันนี้เป็นมัดถูภายนอกเป็นเรื่องของกิ้เลศมันชอบสวยชอ บ, ชอบงามอืใครไปตำหนิไม่ได้นะขี้เลศชอบยกชอบยอก็ตัวขีเลศชอบสวยชอบงามตัวกิเลศตัวปิ้นป้อนหลอกลวงหวานฉ่ําหลอกหูหลอกตาสันโลกให้ล่มจมไปก็คือขิ้เลศทำทำไม่หรอกพูดอย่างกองไปกองมาพิทบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่เรียกภาษาของธรรมตายใจได้ทางนั้นแล้วก็ไม่เคยเห็นทำ บ้านหลอกหลงต้มถุนสัตว์โลกรายใดให้ไดครับความชิบหายชิบหายลงไปไม่เคยมีแต่เรื่องที่เหลอ น, นี้เต็มไปหมดมีอยู่ครับหัวใจสงสัตว์พึ่งต้มกั น, นทุกแง่ทุกมุเราเคยเห็นไหมเขาต้มกันเขาเอาความพูดอย่างคงไปลงมามาต้มมาอะไรเอาอย่างหวานฉ่าทีเดียวตกแต่งทุกอย่างคาพูดคาจาไพเราะพิ้งให้หอมหวนชวนสัง จนเทิรนแล้วเพิ่มดับไปแล้วตับไม่มีเอาไปกินแล้วหมดนั่นเห็นไหมนี่แหละนักต้มนักตุนเขาต้องเรียนวิชาไพโร่เอาเพิ้งมาทุกแง่ทุกมุมที่จะต้มสารโลกคือวิชาของกิเลสเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วทําไมเวล า, าพูดโกงไปโกงมามันถึงไม่อยากฟังก็กิเลสมันอยากฟังทำเมื่อไรเพราะกิเลเป็นตัวปิ้นป้อนหลอกลวงทําเป็นของจริงพูดอย่างโกงไปโกงมามันก็เข้ากันมาได้ที่นี่แหะที่ว่ากิเลสกับทำเป็นข้าื่อกัน ภาษาธรรมออกถูกกิเลสโจมตีแหลกไปหมดเลยเพราะกิเลสมันเต็มเต็มโลกสงสารดีกว่าไหยใครก็เป็นภาษากิเลสความปิ้นป้อนหลอกลวงหลอกทั้งเขาหลอกทั้งเราเองมันเต็มอยู่ด้วยกันทุกคนหัวใจเขาก็มีเครื่องหลอกหัวใจเรามีเครื่องหลอกไม่มีใครหลอกก็หลอกตัวเราเองฟังทีฟังที่เดี๋ยวนี้ยมีไหมกิเลสหลอกตัวเรามันหลอกแบบไหนบ้างเราดูว้างสิดูตั้งแต่คนนั่นหลอกคนนั้นคนนี้หลอกคนนี้ เราหลอกเราเองเราไม่ดูบ้างหรือถ้าเรารู้ว่าเราเราหลอกเราเองเราจะแก้ไขกนุรมายาที่กิเลตหลอกเราเนี่ยเราจะไ่ว้พระว่าวนาเหนื่อยแล้วนั่นหลอกแล้วเห็นไหมล่ะนั่งคุยกันอยู่เป็นบ้าอยู่ไม่ไม่ด้สนใจกับเวลาเวลาันจนจะก้นแตกันมันแตกไปแต่น้ำลายปากมันยังไม่หมดโม่ใส่กันคุยกันไม่เลยพูดถึงเวลาเวลาความเนหนื่อยเม่่ แต่พอจากกาันนะนี่จะไหว้ผ่านนี่จะนอนโอ้ยเหนื่อยมากแล้ววันนี้หนาวเห็นไหมล่ะเนี่ยมันหลอกเห็นไหมล่ะเราไม่รู้หรือว่ากิเลสหลอกเราเรานึกว่ามันอยู่ที่ไหนนึกว่าในตู้ในหีบตู้หีบมันทั้งกิเลสทั้งธรรมถ้าไม่มีอะไรกับใครทำมันเป็นอยู่กับคนกิเลสอยู่กับคนตัวหลอกลวงอยู่กับคนให้พากันพยายามนะ <c oughs> เราพูดจริงๆเล่าพูดยัง เต็มร้อยอร์ล้านเปอร์เซนต์เราไม่มีสตกระฐานกับสิ่งใดในสามแโลกทานนี้คํากลัวเราก็ไม่มีคําว่ากล้าเราก็ไม่มีเรื่องเป็นเรื่องตายแล้วเราไม่มีกลัวไม่มีกล้าไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีคําว่าแพ้วชนะไม่มีคําว่าได้เปรียบเสียเปียบมีแต่ทําด้นล้วนที่พูดกับโลกสอนโลกไปนี้จะเด็ดเดี่ยวหรือเฉียบขาดขนาดไหนเป็นภาชาธรรมที่พาให้เด็ด เดี๋ยวพ่อให้เจีบขาตามทางเดินของธรรมเท่านั้นที่จะเป็นเดี๋ยวๆเจีบขาดให้ผู้หนึ่งผู้ใดชิบหายเพราะภาษาธรรมนี้ไม่เคยมีในวุฒิเจ้าทั้งหลายด้วยไม่เคยมีในสาวกทั้งหลายด้วยจึงไม่มีในหัวใจของเราและภาษาของเราที่พูดออกเวลานี้ไม่มีผิดบอกว่าผิดทันทีเลยนี่จึงภาษาธรรมตาใจกันได้ไม่หลอกลงต้นถุนกันนั่นภาษาธรรมจึงแล้วยกออกไปพูดเลยที่ภาษาธรรมภาษาธรรมท่านหลายเคยอ่านแล้ว ภาษาอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครได้ได้ยินได้ฟังมีแต่แต่ภาษ า, ข า, ขาขเขาเกเรหรองต้องถุนกันท่โลกดินแดนเอาจนไม่มีตับมีปอดก็มอไปกับมันอย่างนั้นนะไม่เห็นโทษของมันนะว่มามันต้มมันตุนโลกไปยังไงแต่ภาษาทำพอได้ยินยียงบ่งเบ้งกันนะเหมือนฟ้าเริ่รมล่องขึ้นบนฟ้าะะอะไรนี่เป็นยังไงแล้วฟ้าล่องบนฟ้า ฟ้านั้นน่ะพวกชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขาเขายังดีใจนะโออนี่แรงมาหลายวันแล้วะ น, นะฟ้าร้องแล้ววันนี้ฝนจะตกนะคือฟ้าร้องร้องจริงแต่ฝนตกมาชุ่มเย็น <c oughs> ทำให้ <c oughs> สิ่งพระปลูกต่างๆชุ่มเย็นไปหมดหมดเลยอันนี้ฟ้าร้องทั้งอัดทั้งทมเสียงลั่นออกมาเป็นอัดเป็นทำด้วนๆ <c oughs> ผู้ปฏิบัติธรรมก็ ย, มยิ้มยิ้มย่งต่อเ <c oughs> สียงประเภทนี้ที่จะ ทำได้ล่างที่เลสได้เป็นอย่างดีแต่หูกิเลข้างที่เลสแล้วจะไม่อยากฟังหาว่าดูดาว่ากาประโชกกระชาก พ, พูดกระแทกแดกตันผู้หยาบโรนไปอย่างนั้นกิเลสเนี่ยมันเห็นมันหาเป็นอย่างนั้นหาเรื่องของธรรมแต่ตัวมันไม่อยาบโลนไปยังไงพิจาน่าพีจนโลกนี้จะมีตับมันต้มกันตัวไม่หยาบโรนต้มมาเลยพวกนี้นะพากันตั้งออกตั้งใจนะพาลูกพาหลาน <c oughs> มาปฏิบัติอธรรมก็ยัง จะไม่มีเรนาศาสนาจะมีแต่หั ว, หวหร้อนๆผ้เหลืองๆเต็มบัดเต็มวา่าเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็เต็มไปด้วยฐานชี้ในวันในวานมันสร้างแต่ความชั่วช้าละโมบความสกปรกละมอมไม่เรือกฐานเรียกฐานชี้จะเรียกว่าสวรรค์นี้ผ่านได้ยังไงความสกปรกมาอยู่กับคนคนอยู่รัฐไหนมันก็เป็นส่วนเป็นฐานในวันนั่นไม่ไม่เลือกมันอยู่กับคนพระก็กลายเป็นพระส้วมพระฐานไปเพราะพระสกปรกด้วยความประพฤต หน้าที่การงานไม่ได้เป็นไปเพื่ออาจเพื่อทำเป็นไปเพื่อ <c oughs> ช่วงเพื่อฐานคือความทุกข์ความทรมานเป็นบาปเป็นกรรมไปทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอางนนะั้น่ะแล้วศาสนาเจริญหรือเวลานี่มันจเจริญที่ไหนนี่ละภาษาของธรรมฟังเอาพี่น้องหลายไม่เคยฟังมันจเจริญที่ไหนดูก็ดูกับพระก็รู้นะครับดูพระเขาไม่รู้ดูตัวเองก็รู้เราก็เป็นพระอย่างเดียวกันนี่นะเป็นยังไงใจของเราได้สังหรณ์ระวังไหมอืม ทั้งวันนี้มันมีสติติดแนบกับใจบ้างสักนิดหนึ่งว <c oughs> ินาทีหนึ่งได้ไหมสองวินาทีสามวินาทีได้ไหมหรือหนึ่งนาทีได้ไหมต้องมาถามเจ้าของถ้าเจ้าของยังเผลอเผลออยู่เหลวไหลนั่นพระเหล่านี้พระเหลวไหลถ้าโลโกโลโกโศพระมันมีสติเมื่อไม่มีสติและปัญญาจะคิดอ่านแต่จองได้ยังไงก็เป็นเรื่องสัญญามาสังหารเจ้าของทางนั้นนะ่มาฉะนั้นพระแท้ ต, ต้องเป็น <c oughs> ผู้มีสติหิริโอตปะสังรว์ระวัง เห็นศีลมีคุณค่าเนือชีวิตเอาตาก็ตายแต่ศีลขาดไม่ได้นั่นเป็นยังไงเอาทำสมาธิฟาดมันลงไปีจิตใจที่ถูกกิเลสลากเส็จลงไปทะเลลูกไหนก็ไม่รู้มีแต่ความทุกข์ความทรมานลาบกิเลสขึ้นมาย้ำมันด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมย้ำมันลงไปจนกระทั่งมันมีความสงบได้นั่นแหละราบหัวกิเลสสักทีหน่งนี่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ศาสนาเจริญตรงนี้นะ <c oughs> เราอยากเข้าใจว่าเรียนมากๆศาสนาจเจริญถ้าไม่ปฏิบัติอืเรียนมาเท่าไรเท่าไหร่ก็นกขุนทองนั่นแหละเป็นนอนแท้กระดาษไปหมดนั่นแหละใครเรียนก็จําได้ี่ไม่ น, นอนแท้กระดาษยังไงให้เด็กเรียนแต่กก็จําได้ผู้ชายเรียนไอ้ผู้ใหญ่เรียนก็จําได้เด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายเรียนได้จําได้แต่เมื่อไม่มีการประพฤติปฏิบัติและความรู้สึกไปตามอัตตธรรมที่ท่านแสดงว่าบาปบุญคุณโทษนั้นนี่ ไม่มีความรู้สึกว่าจำนั้นสักเสียเรียนจำไม่เฉยมันก็เป็นหนอนแทกกระดาษนั่นแหละมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าตั้งใจเรียนสนใจปฏิบัติกับการศึกษาเรียนมานั้นถูกต้องครูเจ้าก็สอนสาหรับปริญัตปฏิบัติปฏิเว้นั่นปริยัตได้แก่การศึกษาเรียนปฏิบัติเมื่อศึกษาเรียนแล้วให้ทําปริญัตซึ่งเป็นแบบแปลงแม่ทัพอดีงามถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติตนไปตามนั้นปฏิเวทคือผลเนี่ยการปฏิบัติจะปรากฏขึ้นมาศีลเราก็ปฏิบัติรักษาอยู่เราก็อบอุ่นสมาธิก็มีความสงบลง่องหนปัญญาก็หนาแน่นขึ้นทุวันทุวันพิเรศ ข, ขาดสะบั้นไปโดยลำดับดาหนี่พอภาพปฏิบัติเลี่ยวปฏิเวทปฏิเวทคือรู้แจ้งไปเรื่อยๆเป็นผลของงานจากการปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากแบบแปลนคือปริยัตยินั่น <c oughs> ถ้ามีอย่างนี้แล้ว เป็นผลเป็นประโยชน์มีแต่เรียนเฉยเฉยไม่สนใจบังัปฏิบัตินี่เหมือนนอกคุณทองเหมือนหนอนแทกกระดาษเราไม่ว่าให้ใครว่าตามความจริงที่เป็นอย่างนี้ใครก็เรียนได้เหมือนกันเห็นมันวิเศษวิโสที่ไหนผมหัวใจมันโศกปลวกรกุนแรงยิ่งกว่าส้วงกว่าฐานแล้วมันจะเอาความดีมาตั้เรียนทำก็ทำมาที่มีแตกรรมมีแต่ชื่อถือตัวเองไม่ปฏิบตัติมันจะเกิดผล เ, เกิดประโยชน์อะไระสู้เขาไม่เรียนแต่เขาสนใจ ป, ปฏิบัติทำไม่ได้นะ นี่เราอยากจะยิ่งเจ้าข อ, อ, องว่าเราเรียนมากเรีนมากโออาฟู่ฟ้ า, า R F F ว่าตัวความรู้สูงสูงอะไรหรูอว่ามันสู้หมาไม่ได้เนาะหมาเขามีความรู้สูงแต่เขายังรู้จักดีชั่วสําหรับกับเจ้าของยิ่งรู้ดีนะหมานี่เคารพเจ้าของมากมีความซื่อสัตย์ยองรักพักดีต่อเจ้าของมากไอ้ความรู้ของคนพานี้โอ้ยแม้แต่ครูอาจารย์มันก็ยังฟัด ย, ยังเหวี่ยงหรือ ว, ว่าไง มันไม่รู้จักเจ้าของนะคนพานไปอย่างนั้นพระพานมันก็แบบเดียวกันอีกนั่นแหละพระก็มาจากคนกินเลสอยู่กับคนเป็นพระก็เป็นพระพระอันตพานนั่นแหละหรือเป็นอะไรไปฟังศาสนาศาสนาเจริญที่ไหนสอนทุกวันให้อย่างให้รู้เรื่องาศาสนาเจริญถ้ามันเห็นที่หัวใจดิดัดแปลงแก้ไขหัวใจนี้ก่อนอื่นอย่าไปสนใจจะดัดน้องแก้แก้นี้แก่นั้นแก่นี้ไปที่ไห น, นมีแต่เงมเงาอยู่น่นนีาตัวหัวใจ ที่มันก่อฟื้นก่อไฟด้วยความขิดต้านี้ไม่ได้มองดูมันไม่ได้มาแบบแปลงแก้ไขมันเลยจะหาความถูกมาจากไหนนั้นไม่มีนะความถูกนะมันก็มีแต่ฟืน้นแต่ไฟเขามวันเราเรามืวันเขาศาสนามีเต็มตู้เต็มกลีบพันธีเวลาก็มาดับไฟไม่ได้เพราะเจ้าของไม่นํามาดับปล่อยไว้ย่างงั้นแล้วก็จมไปจมไปไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนพูดเรียงตอนนี้จนะก่อนยัง พูดไปพูดมาเขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไงพูดไปเป็นตักพักให้น้ําเป็นบักพัก <c oughs> พูดไปนานมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยเอาละนั้นละไปพูดมากแล้วเขาจะมาจับก็จับจ้าไปจ้าเทศจอนี้าประจํามานดีนะว่านมันทีทังลงจากใจอยู่ไหนมันสบายหมดเลยไม่ได้ถามหาที่นั่นที่นี่สะดวกสบายไม่มี มีตเะเจีเท่านั้นอ่ะหาคัดหาเหลือกนั้นนี่นี่เลยทั้งนั้นถ้าทำไม่เลือกที่ไหนตูงลงไปสบายเลยไปเออเปิดจางให้ฟาันไปหน่อย